การที่จะทำให้เรามีความสุขปราศจากความทุกข์สิ่งที่เราต้องทำกันก็คือเรียนรู้วิธีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นมาและวิธีกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปถ้าเราไม่ได้เรียน เราจะไม่รู้จากวิธีกำจัดความทุกข์การสร้างความสุขให้กับเราเราจึงต้องมีการศึกษากันการเรียนกันเรียนเพื่อให้รู้วิธีที่จะทำให้เกิดความสุขวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจ พอเราได้เรียนแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติคือรู้เฉยๆยังไม่สามารถทำให้เกิดความสุขขึ้นมาทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เรียนแล้วเราก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้เรียนไปปฏิบัติ พอเราปฏิบัติแล้วทีนี้ผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาทางาศาสนานี้เราเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวสสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาขั้นตอนที่สองปฏิบัติขั้นตอนที่สามได้สําเร็จได้บรรลุถึง ผลที่ต้องการคือเพราะคือความสุขและการดับของความทุกข์ต่างๆเหมือนกับทางโลกทางโลกเราก็ต้องไปเรียนหนังสือกันไปโรงเรียนไปเรียนหาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่เราจะได้เอาวิชาความรู้นี้ไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ สร้างความสุขทางร่างกายและกําจัดความทุกข์ทางร่างกายการเรียนทางโลกนี้จะเรียนเกี่ยวกับการดูแลร่างกายปากท้องทำมาหากินเลี้ยงชีพเพื่อให้มีปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกาย พอมีปัจจัยสี่บริบูรณ์ร่างกายก็มีความสุขเนถ้าขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจึงต้องไปโรงเรียนกันเมื่อเรียนจบแล้วเราก็ต้องไปทำงานกันการไปเรียนเรียกว่าปริยัตนะิการไปทำงานเรียกว่าปฏิบัติ การรับเงินเดือนเรียกว่าปฏิเวทพอเราทำงานิ้นเดือนเราก็ได้รับเงินเดือนเราก็เอาเงินเดือนนี้ไปใช้ใจ่ายเพื่อหาปัจจัยสีมาเลี้ยงร่างกายพอร่างกายได้ปัจจัยสีครบบริบูรณ์ร่างกายก็สุขสบายไม่ทุกข์ ไม่หิวไม่เจ็บไม่ป่วยทางโลกนี้จะศึกษาแต่ทางร่างกายวิธีเลี้ยงดูร่างกายด้วยวิชาความรู้ต่างๆพอวิชาความรู้รที่เราเรียนเราก็สามารถเอาไปสมัครงานได้พอเราได้งานทำ เราก็จะได้เงินเดือนพอได้เงินเดือนเราก็เอาเงินเดือนไปซื้อปัจจัยสี่ให้กับร่างกายร่างกายก็อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคนแต่เป็นการวิธีบําบัดความทุกข์ วิธีสร้างความสุขให้กับทางร่างกายเพียงอย่างเดียวความรู้ทางโลกที่เราไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆเรียนในมหาวิทยาลัย ไ, ได้ปริญญามาเป็นความรู้ที่มาบำ บ, บัดความทุกข์ทางร่างกายมาสร้างความสุขทางร่างกายแต่ไม่ได้เป็นความรู้ที่จะมา บำบัดความทุกข์ทางจิตใจมาสร้างความสุขทางจิตใจกันคนที่จบปริญญาสูงๆจึงยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้คนที่จบปริญญากับคนขอทานที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มีทถานภาพเหมือนกันทางจิตใจคือมีความทุกข์ทางใจเหมือนกัน เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้ไม่ได้มาสอนให้กําจัดความทุกข์ทางจิตใจคนขอทานกับคนมหาเศรษฐีจึงไม่มีความต่างกันในเรื่องของความสุขความทุกข์ทางใจมีความทุกข์ทางใจเหมือนกัน พอมีร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายจะตายก็มีความทุกข์เหมือนกันซึ่งคนเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมาหยุดความทุกข์ทางใจได้เวลาที่เกิดความแก่ เกิดความเจ็บหรือเกิดความตายความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นมาทันทีดังนั้นคนที่มีการศึกษาสูงหรือคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนจึงมีความจึงไม่แตกต่างกันในเรื่องของความทุกข์ทางใจมีความทุกข์ได้เหมือนกันและอาจจะต่างกันตรงที่ทุกข์มากทุกข์น้อย คนยิ่งมีมากยิ่งทุกมากคนมีน้อยกับทุกน้อยกว่าเช่นคนขอตาคนขอทานเวลาเขาจะตายนี่เขาทุกน้อยกว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีคนมหาเศรษฐีมีเงินทองมากเสียดายเงินทองมากมีความเสียดายเงินทองมากก็ทุกมาก ขอทานไม่มีเงินทองมากไม่มีเงินทองที่จะเสียดายก็เลยทุกน้อยกว่าแต่ก็ทุกเหมือนกันไม่มีใครอยากจะตายทุกคนนี้อยากจะอยู่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะแก่แต่พอมีร่างกายแล้ว ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายได้ร่างกายมีทางเดินของเขาทางเดินของร่างกายก็เริ่มต้นที่การเกิดเกิดแล้วก็จะเรียนเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ชราผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปถึงผู้ตาย คนทุกคนในโลกนี้จึงทุกเหมือนกันทุ ก, กับความแก่ทุ ก, กับความเจ็บทุกกับความตายเหมือนกันไม่มีใครไม่ทุกจะมีผู้ไม่ทุ ก, ก็คือผู้ที่มาศึกษาทางธรรมมาศึกษาวิธีกำจัดความทุกข์ทางร่างกายและปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นะดังนั้นโดยสรุปก็คือพวกเราทุกคนตอนนี้มีความรู้ที่จะเลี้ยงดูร่างกายมีความรู้ที่จะกำจัดความทุกข์ทางร่างกายได้กันทุกคนความทุกข์ที่เกิดจากการขาดแคลนปัจจัยสีน่นี้ไม่มีกับพวกเรา พอพวกเรามีความรู้ความสามารถที่จะหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายได้ร่างกายเราจึงอยู่อย่างเป็นปกติสุขทุกทุกวันวันไหนไม่สุขวันไหนที่ทุกวันไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มียารักษาโรค ก, กันแต่สิ่งที่พวกเราทุกคนขาดกันก็คือ วิธีที่จะมากำจัดความทุกข์ทางใจเพราะการเรียนทางโลกไม่ได้สอนหรือสอนก็ไม่ได้สอนลึกถึงขั้นที่ให้เอานำมาไปปฏิบัติก็เลยยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้สอนบ้างสอนให้กำจัดความทุกข์ในระดับ ที่ระดับต่ำระดับที่ง่ายแต่ระดับที่ยากระดับที่จะกาจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงนี้ไม่มีการสอนกันพวกเราทุกคนจึงมีความทุกข์เหมือนกันความทุกข์ทางใจของพวกเรานี้มีด้วยกันทุกคน ไม่มีใครไม่ว่าไม่มีใครบอกว่าไม่ทุกข์กับความแก่ไม่มีใครบอกว่าไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครบอกว่าไม่มทุกข์กับความตายทุกคนเรื่องของความทุกข์ใจนี้ทุกเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เรียนความรู้ทางธรรมเหมือนกันนั่นเองเพราะว่าทางโลกไม่มีการ สอนไม่ไม่มีการบอกไม่มีวิชาให้เรียนเกี่ยวกับการกำจัดความทุกข์ทางใจสอนแต่วิชาที่จะนำมาไปกำจัดความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นดังนั้ น, น, นถ้าใครต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจก็จาเป็นที่จะต้องไปหา แหล่งความรู้ที่จะสอนให้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ทางใจแหล่งที่สามารถหนังความรู้ที่จะสอนให้กำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้นั้นก็มีอยู่สามแหล่งด้วยกันก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองที่เป็นแหล่งของความรู้ ที่จะนำให้ผู้ได้เรียนรู้ความรู้นำเอาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นผู้ที่เข้าวัดผู้ที่ไปหาผู้ที่ต้องการกำจัดความทุกข์ก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมคำสอนหรือหาพระอริยสงสาวก การจะพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ดีคือพระธรรมคำสั่งคำสอนหรือพระอริยสงสาว mm hmm. ก็จำเป็นที่จะต้องไปวัดกันเพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าหรือที่อยู่ของตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอน หรือพระอริยสงสาวกการเข้าวัดที่แท้จริงนี้ก็คือเข้าหาความรู้จากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่อยากรู้ อากวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่คือที่ที่จะเรียนรู้วิธีการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจต้องไปวัดดังนั้นการไปวัดที่แท้จริงก็คือไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ กำจัดความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองถ้าไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการไปวัดไปวัดก็ไปไม่ถึงวัดหรือวัดไม่ได้เป็นวัดก็ได้สมัยนี้บางทีคนไปวัดไม่ได้ไปเพื่อไปศึกษาไปปฏิบัติ ไปเพื่องานสังคมต่างๆวัดกลายเป็นสถานที่จัดงานสังคมจัดงานศพกันคนตายก็เอาศพไปวัดไปให้พ้าสวดแล้วก็คนก็ไปร่วมแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพไปร่วมเผาศพกันไม่ได้ไปศึกษาพระธรรมคำสอนแบบ แบบแบบจริงจงจังๆคือไม่ได้ถือว่าไปเพื่อไปหาความรู้แต่อย่างใดไปเพื่อไปแสดงความเสียใจให้กับญาติพี่น้องของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือไม่ฉะนั้นก็ไปแสดงความยินดีกับญาติพี่น้องของกุลบุตรที่มาบวชเป็นพระกัน เวลามีงานบวชคนอยาเข้าวัดกันเนยอะบวชคนสองคนนี้คนมาเป็นร้อยเลยมาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าภาพมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บวช ด, ดีใจกับเขาที่เห็นเขาได้บวชเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเข้าวัดไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือแม้ผู้บวชสมัยนี้เองก็ไม่ได้บวชเพื่อหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาพ่อแม่ให้กำเนิดมาก็อยากจะทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ด้วยการมาบวชเพราะการมาบวชนี้คิดว่าจะได้ทำให้เป็นคนดี เป็นคนที่ไม่มีความทุกข์เป็นคนที่มีความสุขแต่การที่จะบวชให้เป็นคนดีบวชให้มีความสุขบวชกาจัดความทุกขน์นี้มันต้องบวชแบบไม่มีไม่ศึกถ้าบวช้วกำหนวดว่าจะศึกนี้มันมันมันไม่ได้ผลพูดง่าย เพราะว่าเวลาบวชมันไม่พอต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติเหมือนคนที่ไปสอบเอ็นทันเข้ามาหาลัยแล้วก็กำหนดวันวันออกจากมาหาลัยจะขอเรียนหนึ่งเดือนจะจบไม่จบไม่รู้หละขอเรียนหนึ่งเดือนเพื่อที่ให้พ่อแม่ดีใจว่ามีลูกเข้าเรียนมาหาลัย แต่จะเรียนจบหรือไม่จบนี้ไม่ไม่ไม่สำคัญขอให้ได้เข้ามาหาหลัยก็แล้วกันพอเข้ามาหาหลัยได้พ่อแม่ก็ดีใจพ่อแม่จะได้คุยได้ว่าอ๋อฉันมีลูกได้เรียนมาหาหลัยแต่จะจบไม่จบนี้เขาไม่พูดถึงกันอันนี้ก็เหมือนกันการบวชบบมีกำหนดวันเวลานี้ ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ อ, อเพียงแต่เข้าไปเพื่ อ, อ, อสแสดงกิริยาของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังไม่ได้มีสาระคือการได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่อย่างไดออ้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเข้าวัดเพื่อหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ยิ่งทารา ย, ยิ่งกว่านี้เดี๋ยวนี้วาดกายเป็นแหล่งบันเทิงก็มีมีลาวงมีภา พ, พยนตร์แล้วเป็นศูนย์การศูนย์การค้าก็มีมีตลาดนัดบางวัดในวันวันอาทิตย์หรือวันอะไรเขาจะจัดที่ค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ค้ากับประชาชนผู้ที่อยากจะซื้อ ข้าวของอะไรต่างๆก็ไปวัดกันอันนี้ก็ไม่ใช่ไปเป็นการไปวัดไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วัด ก, ก็ไม่ได้เป็นวัดเสียแล้วถ้าวัดทำทำกิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวัดนะเพราะว่าวัดที่แท้จริงนี้ต้องเป็นแหล่งของความรู้ แห่งความความรู้คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยนี้จะหาพระพุทธเจ้าตามวัดไม่ได้แล้วได้ก็ตัวแทนหรือพระพุทธรูปเท่านั้นเองซึ่งพระพุทธรูป ก, ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะพระพุทธรูปไม่สามารถแสดงธรรมไม่สามารถสั่งสอนอผู้ที่เข้าหาพระพุทธรูปว่า วิธีกำจัดความทุกข์นี้กำจัดอย่างไรพระพุทธรูปมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ได้ประมาทขอภัยเพียง <Yeah. S 1> แต่ผู้ตามความเป็นจริง <Yeah. S 1> คือเขาเห็นว่าเมื่อไม่มีตัวพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทน <Yeah. S 1> เพื่อที่คนเข้าวัดจะได้คิดว่าได้เข้าพบกับพระพุทธเจ้าแล้วะ จะได้ประโยชน์จากการได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วพบกับพระพุทธเจ้าแบบนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เราพบไม่พูดอะไรเลยนั่งเฉยเฉยไม่สั่งไม่สอนอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีเข้าพบกับพระพุทธเจ้ายุคของพวกเรานี้ไม่สามารถพบกับตัวของพระพุทธเจ้าได้แล้ว เราพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้อยู่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาเป็นเวลา45ปีในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วมีพระคอยเอามาท่องจํากันมีพระอานน์นี้เป็นหัวหน้าพระอานุนคือใครพระอานุ์นี้ ตอนก่อนบวชเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพระพุทธเจ้าเป็นลูกพี่พระอ น, นุ์เป็นลูกน้องพอพระพุทธเจ้าบวชแล้วตัดสลุพระอนนุ์ก็มีความศรัทธาอยากจะบวชก็ได้ร่วมกับญาติพี่น้องอีกห้าอีกสี่คนรวมทั้งบวดห้าคน เป็นเจ้าชายเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้ามีพระอา น, นุ์มีพระเทวทัตมีพระอนุรุธทธะนักก็มีพระอีสองรูปไม่ได้กล่าวนามถึงมีศรัทธาอยากจะบวชแล้วก็มีอุบาลีเป็นช่างตัดผมของเจ้าชายก็มีศรัทธาอยากจะบวตตามก็เลยได้บวชพร้อมกัน หกรูปได้กันพอบวชแล้วหลังจากที่พระนอนได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนบรรลุได้ทำขั้นที่หนึ่งคือบรรลุเป็นพระสวดาบันคณะสงฆ์ก็มีมัณิแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าส่วนตัวเนื่องจากพระพุทธเจ้าเริ่มมีอายุมากแล้ว ต้องมีผู้ที่คอยรับใช้ดูแลเช่นคอยล้างบาตรล้างซักจีวรคอยกวาดถูกุฏิคอยทําหน้าที่เป็นเหมือนเลขาก็ไม่ทุกคนก็มีความเห็นพ้องว่าพระอานุนี้เป็นผู้ที่มีเหมาะสมที่สุดนก็เลยมีมติแต่งตั้งให้พระอานุนี้ได้เป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้า แต่ก่อนที่พระนนจะตอบรับพระนนขอตั้งเงื่อนไขไว้แดข้อด้วยกันเงื่อนขอเงื่อนไขที่ปฏิเสธกับเงื่อนไขที่ขอรับมีอยู่เงื่อนไขปฏิเสธสี่ข้อจำไม่ได้หมดแต่เท่าที่จำได้ก็คือขอปฏิเสธที่จะไม่รับของพิเศษจากพระพุทธเจ้าเช่นจีวรบาตร อาหารที่อยู่อาศัยอะไรเหล่านี้เพราะกลัวจะถูกเขาคารหาว่ารับตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ไม่ต้องการที่จะรับรางวัลจากพระพุทธเจ้าขอรับใช้แบบฟรีๆขอรับใช้เป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลไม่เหมือนพระสมัยนี้รับใช้กับพระผู้ใหญ่ ก็มองไปที่ตำแหน่งต่างๆมองไปที่ยศต่างๆจะได้เป็นพระครูไหมจะได้เป็นเจ้าคุณไหมอันนี้แต่สมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าในพระอนนล์บอกไม่เอาพระพุทธเจ้าจะให้อะไรไม่เอาเพราะพระพุทธเจ้าจะมีคนเอาของมาถวายเยอะแยะ บาสวยสวยจีวรสวยๆอาหารปานีษอาหารอรุณอร่อยของอะไรเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าได้มาผ้าอนุนขอปฏิเสธหมดไม่เอาเลยแล้วก็มีตั้งเงื่อนไขสี่ข้อขอขอให้พระพุทธเจ้าประทานให้คือข้อที่หนึ่งก็เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วพระอ น, นุ์ไม่ได้ไปด้วย เวลาพระพุทธเจ้ากลับมาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นให้กับพระอานีกครังเพราะพระอานน์นีัมีความจำดีแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนก็เลยขอรับผ่อนอันนี้คือขอให้พระพุทธเจ้าเวลาที่อนนล์ไม่ได้ตามเสด็จไป ตามสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเวลากลับมาต้องมาแสดงธรรมให้กับพระอานุล์อีกครั้งหนึ่งพระอานนล์จึงเป็นแหล่งของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรับรั บ, ร, บรับภารกิจในการเป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าเอแล้วก็มีคําขออีกสองสามข้ออีกข้อหนึ่งก็คือ เวลาที่มีศรัทธาญาติโยมจะขอเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าพระอนนุ์พิจารณาเห็นว่าสมควรก็ขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พาเข้าเฝ้าได้เลยอันนี้พระอนุนเก่งว่าเดี๋ยวจะถูกหาว่ากีดกันอะไรคนมาจะเข้าพ ร, พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เข้าเฝ้า อันนี้ถ้าฟ้านริเห็นว่าเขาไม่มีเหตุที่จะไม่กวรให้เข้าเฝ้าก็ต้องขอให้ได้เข้าเฝ้าเลยแล้วส่วนอีกพร อ, อีกสองข้อนี้จำไม่ได้ใครใครรู้ลองแจ้งมาหรือลองกดเข้าไปใน Google ดูคือมีมีขอพร อ, อยู่สี่ข้อด้วยกันและขอปฏิเสธอยู่สี่ข้อ นี่คือเงื่อนไขของการรับหน้าที่เป็นพระอุปัากของพระพุทธเจ้าอานุนไม่คิดถึงประโยชน์ของตนเลยคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับกับส่วนรวมการที่จดจำธรรมะคำสอนคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าต่อไปพระพุทธเจ้าก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องอาศัยคำสอนที่ได้จดจำกันไว้นี้มา สั่งสอนกันต่อไปพระที่มาบวชจึงมาเรียนมหัสท่องกั น, นการสวดมนต์นี่ก็เป็นการสวดคำสอนนั่นเองไม่ใช่สวดอะไรเช่นสวดประสูตรต่างๆธรรมาจากกับประวัตินักสูตนี่ก็เป็นการแสดงธรรมข้านแรกของพระพุทธเจ้า <c oughs> มหาสติปัฏฐานสตรงานแสดงวิธีการเจริญสติ การเจริญสมาธิการเจริญปัญญาสมัยนั้นไม่มีเครื่องบันทึกเสียงเหมือนสมัยนี้ต้องอาศัยการจดจำํำมีพระอา น, นุ์เป็นหัวเรียวหัวแหลจําได้เกือบทุกพระสูตรเลยแล้วก็มีภาพรูปอื่นก็มาช่วยกันจดจําเผื่อองค์นั้นลืมสูตรนี้หรือองค์นั้นลืมสวดนั้น เวลามาทบทวนก็จะได้มาช่วยกันได้คนนี้ลืมข้อนี้คนนั้นลืมข้อนั้นแต่คนนี้ไม่ลืมข้อนี้ไม่ลืมข้อนั้นก็มาบอกได้ว่าข้อนี้ข้อนั้นที่คนนั้นลืมเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นวิธีรักษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมาอยู่ถึงปัจจุบันนี้ได้ แต่สมัยนี้เราโชคดีไม่ต้องมาจดจำเหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยนี้มีการจดจำบันทึกเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือผู้ใดอยากจะเรียนรู้คาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงยังสามารถเข้าถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้า ยังมีชีวิตอยู่เลยนะพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพวกเราพุทธศาสนิกชนนี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนนี่แหละที่จะเป็นศาสดาต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้ว ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ให้ไปหาที่พระธรรมคาสั่งคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้แล้วมีพระจดจำกันไว้ในสมัยที่ยังไม่มีหนังสือก็ต้องอาศัยไปหาพระไปอยู่กับพระไปฟังเทศฟังธรรมญาติโยมก็เข้าวัดไปเพื่อที่จะได้ฟังธรรมที่พระ ได้จดจำกันเอาไว้นั่นเองก็ยังได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เพราะมีการจดจำได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั่นเองเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงด้วยพระองค์เองเลยแล้วก็มีการสังขยาณามีการตรวจสอบทศ ตรวจสอบอยู่เรื่อยๆด้วยการมาประชุมกันแล้วก็มาท่องพระสูตรแต่ละพระสูตรคำเทศแต่ละการแต่ละกันว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมองค์ไหนฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกตรงไหนก็มาแย้งกันได้มาปรึกษากันได้มาแล้วก็มาลงมติกันถ้าเสียงสวนมากบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นอย่างนี้ นี่คือวิธีที่เราอนุรักษ์คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้จากไปเนี่ก็มีการจดจำกันทันทีเลยพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จ อ, อานนท์ไม่ไปด้วยอานนท์เป็นเหมือนเครื่องอัดเสียงให้พระพุทธเจ้ามาอัดเสียงที่วัดต่อกลับมาแสดงธรรมให้กับพระอานนท์ พระ อ, อ น, นุนก็จะจดจดจำเอาไว้แล้วก็ไปเผยแผ่ให้กับพาะรูปอื่นที่ไม่ได้ยินได้ฟังพาะรูปอื่นอยากจะฟังทำกันนี้วันก่อนไม่ได้ไปไม่ได้ฟังก็มาถามพระอา น, นุนพระ อ, อ น, นุนก็ท่องให้ฟังพอท่องเสร็จพระนั้นก็ออกไปท่องจดจำต่อเผื่อภารูปอื่นที่อยากจะฟังต่อจะได้ฟังได้ ก็เหมือนสมัยนี้ที่เราใช้การบันทึกเสียงกันนะเราไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความจําเราใช้เครื่องบันทึกเสียงแทนเช่นเราไปฟังเทศฟังธรรมจากหลวงพ่อองค์นั้นพอมีเพื่อนอยากจะฟังเราก็แชร์กันได้เดี๋ยวนี้เราแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้พอคนอยากจะฟังกันนี้ก็ก็ทวนหาถามหา คนที่รู้ก็แชร์กันไปแชร์กันไป <c oughs> สมัยนี้เรายกขี้เกียจยกที่ไม่ต้องจดไม่ต้องจำแชร์กันแล้วเดี๋ยวก็ลืมปัญหาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เพราะแชร์้วบางทีไม่อ่านด้วยซ้ำไปเพีงแต่รู้ว่าใครมีก็อยากจะได้ <c oughs> พอได้มาแล้วก็ไม่มีเวลามาเปิดฟังกันเ <c oughs> พราะมีของจะดูของจะฟังเยอะแยะไปหมดสมัยนี้ <c oughs> เลยมีแต่เก็บไว้เก็บไว้ในเครื่องเต็ไมไปหมดเลยแต่ไม่เคยไม่มีเวลาที่จะมาเปิดฟังเปิดดูกันมีก็เหมือนกับไม่มีถ้ามีแล้วไม่เอามาฟังก็เหมือนกับไม่ไม่มีไม่เกิดประโยชน์ธรรมะของพระุทเจ้าจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังฉะนั้นถ้าเราได้มีธรรมะแล้วเราควรที่จะมาเปิดมาฟังกัน มาดูมาอ่านกันหนังสือเอาไปนี่อย่าเอาไปวางไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้อ่านหรือซีดีที่เราไปถ้าไม่เอาไปเปิดฟังก็จะไม่ได้ประโยชน์แะ่ <c oughs> เพราะไม่ได้ศึกษานั่นเองประโยชน์จะเกิดขึ้นเพราะคือด้วยการศึกษาเป็นประโยชน์ขั้นที่หนึ่งยังไม่ได้เป็นประโยชน์ขั้นสุดท้าย เป็นขั้นที่จะนำไปสู่การกระทำขั้นที่สองถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจหมดสิ้นไปได้ต้องศึกษากันพอได้ศึกษาแล้วทีนี้ก็ ก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ก็ต้องไม่ทำบาปนะเพราะการทำบาปเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจมีใครมาคัดค้านได้ไหมว่าการทาบาปแล้วจะทำให้ไม่ทุกข์ใจอาจจะสุขใจตอนเบื้องตอนน้นหนำใจดีใจได้ฆ่าคนที่เราเกลียดแล้ว ร, รู้สึกว่ามีความสุขมันอยู่ขวางหน้าเป็นขวาน้นาม พอกำจัดมันแล้วแม่สบายใจโล่งใจแต่เดี๋ยวไม่นานพอคิดได้ว่ามันเป็นโทษเนี่ย่าฆ่าเขาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีใครเขาที่เสียหายเดือดร้อนเขาก็จะต้องมาตามรังแค้นเหล่านะถ้าไม่มีกฎหมายก็มีกฎหมู่ญาติพี่น้องของผู้ที่เขาสูญเสียเขาก็ต้องโกรธเกลียดคนที่ไปฆ่าญาติพี่น้องเขา ทีนี้เขาก็จะตามล้างแค้นแล้วสิทีนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วสิคนที่ไปฆ่าผู้อื่นนะนี่ดังนั้นอยาถ้าใครมามาบอกว่าทำบาปนล้วมีความสุขใจนี่ก็สาธุเลยทำไปเลยถ้าอยากจะมีความสุขใจทำบาปให้เต็มที่เลยแล้วดูซิว่ามันสุขจริงหรือเปล่าเนื้อมันสุขนานหรือเปล่า มันอาจจะสุขตอนต้นไปปนธนาคารได้เงินมาโอ้โหดีใจคิดถึงว่าจะไปซื้ออะไรจะไปเที่ยวอะไรแต่ในขณนะเดียวก็ก็เริ่มคิดถึงตำรวจแล้วสิตำรวจจะตามมาแล้วสินักตำรวจเขาต้องไปสอบสวนแล้วไปหาว่าไปหาหลักฐานดูว่าใครเป็นคนก่อคดีเหล่านี้พอเขารู้ทีนี้เขาก็ตามล่าแนละ้ว ทีนี้อยู่เป็นสุขไหมอยู่ไม่เป็นสุขอนะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเห็นหน้าตำรวจก็ตกใจนะบางทีตำรวจไม่รู้เรื่องว่าเราไปทำอะไรมาแต่พอเห็นตำรวจใส่เครื่องแบบเดินสวนมาทีนี้ใจก็วูบลงไปที่เท้านะนี่แหละผลที่เกิดจากการทำบาปคือความทุกข์ใจมันจะตามมาทันทีไม่ช้าก็เร็ว ใหม่ๆยังอาจไม่มีเวลาคิดถึงมันคิดแต่จะหาความสุขจากการทาบาปอยูออ่ก็เลยยังไม่ได้คิดถึงของคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเริ่มเกิดความทุกข์เกิดด้วยความมิจกเกิดความกังวลเกิดความหวาดตัวอะไรขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วจะมีความรู้สึกเหล่านี้ไหมไม่มีความรู้สึกอะไร เหมือนกับวัวสันลังหวะกับวัวที่ไม่สันลังหวะนะวัวสันลังหวะวัวที่มีแผลเนี่ยเวลานกเอี้ยงมาเกาะมาจิกที่แผลหน่อยก็ปวดเล้าขึ้นมาแต่วัวที่ไม่มีแผลนี่นกเอี้ยงจะมาเกาะมาจิกที่ผิวหนังก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเพราะไม่มีแผลเนีคนทำบาปนี่เป็นเหมือนกับคนที่เป็นวัวสันลังหวะ เป็นวัวที่มีแผลพอมีนกมีมแมลงมาเกาะก็ปวดเจ็บขึ้นมาทันทีแต่วัวที่ไม่มีแผลนี่จะมีมแมลงมาเกาะมีนกมาเกาะมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างไดนี่คือความทุกข์ขั้นที่หนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความการกระทาบาปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไม่ มีความทุกข์จากการกระทำบาปเราก็ต้องปฏิบัติคือต้องละเว้นจากการกระทำบาปเวลามีความอยากจะทำบาป ก, ก็ต้องห้ามใจอย่าไปทำเวลาอยากจะขโมยของของคนอื่นก็ต้องคอยห้ามใจว่าอย่าไปขโมยขโมยมาแล้วเดี๋ยวต้องถูกเขาจับไปลงโทษครั้งแรก ก็อาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้อาจจะไม่ถูกจับแต่เมื่อขโมยแล้วได้ครั้งที่หนึ่งแนละ้วมันจะมีความหยามใจมันจะมีความมั่นใจว่าให้ขโมยแล้วไม่มีใครรู้เดี๋ยวขโมยให ม, ไม่ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องมีคนรู้พอขโมยแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยพอขโมยได้ครั้งที่หนึ่งแล้วไม่ถูกจับไม่มีใครรู้อะไร ก็เลยมีความชล่าใจว่าเดี๋ยวคราวหน้าอยากขโมยก็ขโมยอีกขโมยไปกี่ครั้งถ้ายังไม่ถูกจับมันจะไม่หยุดขโมยแต่พอไปถึงตอนที่ถูกจับแล้วนั่นเน่ยมันถึงจะเริ่มเห็นเห็นพิษของการขโมยว่ามันจะทำให้ต้องทุกข์ถ้าถูกจับก็ต้องถูกไปลงโทษ หรือถ้ายังไม่ไปถูกจับก็อาจจะเริ่มวิตกว่าเอ้คนนั้นจะรู้หรือเปล่าคนนี้จะรู้หรือเปล่าเขาจะมาตามจับเราหรือเปล่ามันก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจที่เกิดจากการทําบาปก็ต้องละเว้นการกระทําบาปนั่นเองในการที่จะละเว้นการกระทําบาป ก็ต้องละเว้นชนวนเรือตัวที่จะนำไปสู่การทำบาปคะเราบางทีอยู่ดีๆไม่มีเหตุให้ทำบาปก็ไม่ต้องทำบาปแต่บางทีมีเหตุขึ้นมาก็เลยต้องทำบาปเหตุที่จะทำให้คนทำบาปนี้พระพุทธเจา้าทรงแสดงว่าก็คืออบายามุข อ, อบายามุขห้าข้ อ, อที่ถ้าไปเสพอบายามุขแล้ว เดี๋ยวมันจะทําให้เป็นเหตุพาให้ไปทำบาปต่อไปได้ดังนั้นวิธีที่จะทําให้ไม่ทําบาปก็ต้องไปหยุดวิุดเหตุที่จะมาทำที่จะมาทำให้ทําบาปนั่นเองคืออย่าไปเสพอบายามุกเช่นสุรายาเมานี่ก็เป็นอบายามุกถ้าดื่มสุราแล้วเดี๋ยวใจ เวลาไปคิดอะไรไม่ดีก็จะไม่มีสติยับยัง้งเพราะคนดื่มสุลานี้จะมึนเมาพอมึนเมาแล้วก็ไม่มีสติที่จะคอยควบคุมการกระทาทางวาจาและทางใจคนเมาจึงมักจะพูดจาอยากคายพูดจาไม่ไพเราะเลยพูดจากโกหก เพราะว่าเวลานึกอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปเพราะว่าไม่มีสติคอยชั่งคอยยับยั้งนั่นเองเวลาอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะทำร้ายของทำรลายของอารมณ์ไม่ดีใครพูดไม่ดีหน่อยใครว่าหน่อยว่าเมาแล้วทำไมไม่กลับไปนอนแค่นี้ก็โกรธขึ้นมาดีไม่ดีก็ไปทำร้ายผู้ที่พูด พอทำร้ายเดี๋ยวก็เกิดการต่อสู้กันแล้วเดี๋ยวอาจจะไปถึงกับขั้นฆ่ากันก็ได้ น, นี่คือสาเหตุอันแรกที่พระเจ้าทรงบังคับให้ละเว้นคือการดื่มสุราบรรจุไว้ในศีลห้าเลยทั้งทั้งที่การดื่มสุราเองก็ไม่ได้เป็นการกระทำบาป ถ้าดื่มแล้วเมาก็นอนนี้มันก็ไม่ไปทําให้ใครเสียหายหเดือดรน้อนอย่างนั้นถ้าใครอยากจะดื่มสัวราก็เอาโซ่มาผูกติดไว้กับเตียงก่อนแล้วก็นั่งดื่มข้างเตียงนั้นพอเมาแล้วก็ขึ้นเตียงนอนไปเลยอย่างนี้ก็จะไม่ไปทําบาปแต่ถ้าไปดื่ม ตามสถานที่ต่างๆยิ่งถ้าขับรถด้วยเดี๋ยวเมาแล้วขับเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เกิดความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้อื่นและของตนเองได้บางคนเมาแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์รถลน้มลงกระศีสะ ก, กระแทกกับพื้นกลายเป็นอมภ์เพลกรมภาพาตไปชีวิตนี้พิก จากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยจากคนที่สามารถทําอะไรไปไหนมาไหนได้กลายเป็นคนที่จะต้องพึ่งผู้อื่นนะเพราะไม่สามารถทําอะไรด้วยตนเองได้ไปไหนก็ต้องนั่งรถเข็นให้คนเขาเข็นไปเออยู่อย่างทรมานไปถึงวันตายนี่สาเหตุที่เกิดจากการเสบบบายามุกเกิดสุรายาเมา่า ไปดูตามโรงพยาบาลสิทุกคืนเนี่ยหมอห้องฉุกเฉินก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จากคนขี่มอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุก็จากคนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้น น, นี่คือต้องละอบายามุขก่อนอับายามุขนอกจากสุราแล้วก็มีเล่นการพนันเที่ยวเตะไม่ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเกลียดคลาน ความเกียดค้านี้ก็ถือว่าเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งและการคบคนชอบอบายมุขเป็นมิตรเนี่ยการกระทําเหล่านี้มันไม่ดีคบคนชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขคบคนชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราคบคนชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวคบคนชอบ เล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบคนเกียรติค้านก็จะชวนให้เราเกียรติค้านนะอย่างนั้นเราอย่าไปคบคนที่ชอบอบาอยามุขเป็นมิตรรู้จักกันได้เวลาทำงานก็ทำงานร่วมกันได้แต่พอถึงเวลาเลิกงานเขาชวนเราไปดื่มก็อย่าไปกับเขาเขาชวนเราไปเล่นการพนันก็อย่าไป เขาชวนเราไปเที่ยวก็อย่าไปปฏิเสธไปอย่างสุภาพไม่เป็นไรไม่เสียหายถ้าเขาจะโกรธเราไม่อยากจะคบกับเราก็ดีเพราะเราก็ไม่อยากจะคบกับเขาอยู่แล้วอันนี้อย่าเสียตัวเพื่อเพื่อรักษาเพื่อนเสียเพื่อนเพื่อรักษาตัวดีกว่าเพราะเพื่อนนี้หาได้ง่ายกว่าตัวที่เสียไป เสียตัวแล้วนี่แก้ยากนะคนที่ติดอบายามุขนี่บางทีชีวิตทั้งชีวิตนี่จะเสียไปหมดเลยคนที่ติดสุราติดเที่ยวติดดื่มจะไม่ไปทํางานจะไม่ไปหางานทำํำมีงานก็จะลาออกจากงานหรือถูกไล่ออกจากงานแล้วก็ต้องติดสุราดื่มสุราติดเที่ยวก็ต้องเที่ยวไปจนเงินทองไม่พอใช้ พอแม่ไม่พอใช้ทีนี้ก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีผิดกฎหมายบ้างผิดศีลธรรมบ้างไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินของคนอื่นเขา ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่ายืมแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะไปใช้คืนเขาได้แต่ก็โกหกหลอกลวงว่าเดี๋ยวจะมาคืนอย่างนั้นอย่างนี้พอได้มาแล้วก็ไม่คืนก็เลยผิดสมกระทงโกหกหลอกลวงแล้วก็ ยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นขโมยทรัพย์ของผู้อื่นไปนี่คือเหตุที่จะทาให้มาทำบาปกันคือการเสพอบายามุกต่างๆเพราะอบายามุกไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่ทำให้เงินทางที่มีอยู่นี้ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆกล่าวว่าเล่นการพนันนี่โหดร้ายทารุณมากกว่าให้ขโมยขึ้นบ้าน ขโมยขึ้นบ้านมันก็ขโมยได้แต่ข้าวของบ้านมันยังเอาไปไม่ได้ที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้ไฟไหม้บ้านก็ไหม้แต่ข้าวของไหม้บ้านแต่ที่ดินก็ยังไม่ก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็นพวกนักการเล่นการพ น, น, นันนี้มันเอาไปหมดเลยพอเล่นเงินเงินหมดก็จะขายทรัพย์สินขายข้าวของขายบ้านขายที่ดิน เพื่อที่จะเอามาเล่นต่อเพราะอะไรเพราะเสียก็อยากจะได้คืนพอได้ก็อยากจะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้หรือจะเสียมันจะไม่เลิกเล่นมันมีแต่จะเล่นไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องไปขายทรัพย์สินขายอะไรต่างๆเดี๋ยวก็หมดพอหมดแล้วดีไม่ดีก็ต้องไปกู้กับ อผู้ที่เล่นด้วยกันที่เป็นนักเลงพอไปกู้ค่ะแล้วพอไม่มีเงินจ่ายที่นี้เ้าก็จะมาถ่วงไม่จ่ายเขาก็อาจจะมีการลงโทษกันมีการทําร้ายร่างกายกันถ้าไม่จ่ายในที่สุดก็อาจจะถูกเขาฆ่าตายนี่คือโทษของการเอไปเสพใ บ, บายาพกต่างๆ ขอให้มองอบายามุกเหมือนกับการดื่มยาพิษนะอย่าไปคิดว่าเป็นการดื่มยารักษาโรคก่ ไ, กไปเสพ บ, บายามุกแล้วเนะี่ย่อนเตรียมนับตัวถอยหลังเดี๋ยมไปหาเตรียมไปหาโรงไว้นวดงหน้าได้นะ เ, เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่เข้าโรงก็เข้าคุกมีอยู่สองที่ถ้าไม่ตายก็ต้องไปติดคุกและนอกจากนั้น ขณะที่อยู่ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจหาความสุขไม่ได้เลยจากการเส็บอบายามุกจากการทำบาปต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้เราถึงจะเข้าใจถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะเห็นว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยเดิมนิดหน่อยเท่านั้นเองใช่เวลามันเริ่มตน้นมันก็เดิมนิดหน่อยแค่นั้น พใหม่ๆมันดื่มมากไม่เป็นนะแต่ตอนพอมันดื่มแก้วหนึ่งแล้วครั้งที่สองมันอยากจะดื่มดื่มแก้วหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่มันเหมือนครั้งแรกเลยอยากจะให้มันมันต้องเพิ่มอีกแก้วหนึ่งเป็นสองแก้วเดี๋ยวก็เป็นสามแก้วเดี๋ยวก็เป็นขวดหนึ่งมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผลที่จะได้รับจากการดื่มมันจะมีน้อยลงไป เพราะว่าร่างกายมันเริ่มชินกับเอผลที่ได้รับครั้งแรกพอดื่มแก้วแก้วครั้งที่สองนี้แก้วเดียวนี้เหมือนกันแต่ผลมีความรู้สึกไม่เหมือนกันเอต้องดื่มอีกแก้วหนึ่งมันถึงจะเหมือนกับครั้งที่แล้วเอครั้งที่แล้วดื่มแก้วเดียวแล้วมัรู้สึกมันดีครั้งที่ครั้งที่สองมาดื่มแก้วเดียวมัรู้สึกมันยังไม่ถึงที่นะเอเลยต้องเอาอีกแก้วหนึ่งถึงจะถึงที่เอ เดี๋ยวครั้งที่สามมาสองแก้วก็ไม่พอแล้วต้องสามแก้วต่อไปมาถึงก็ไม่ต้องสั่งแก้วแล้วสั่งขวดเลยเอามาขวดเลย <c oughs> นี่แหละพวกขายสุรายาวมาเขาถึงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งครับอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยรวยเพราะบนกองทุกข์ของผู้คนโง่ คนที่เสบบะบายยมกนี้ถือว่าเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเนี่ยเอาเงินทองไปให้คนฉลาดเอาสุรามาแลกกับเราแล้วก็มาทำลายชีวิตของเราโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือการศึกษาถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรม ไปที่ไหนไม่มีใครเขาสอนเรื่องอบายยมุกหรอกมีแต่ส่งเสริมใช่ไหมพวกขายเบือขายสุราเขามีแต่จัดคอนเสิร์ตฟรีจัดงานแสดงฟรีอมีการให้ดื่มฟรีพวกนี้เขารู้ว่าพอไอคนที่ไม่เคยดื่มพอมันมีของฟรีมันก็อยากจะลองดูพอมาลองดื่มฟรีแล้วเดี๋ยวมันก็ติดทีนี้ฟรีไม่ฟรีมันก็ต้องซื้อแล้วล่ะเพราะมันติดแล้วเอ พวกพ่อค้านี่ฉลาดนะแม้แต่ของที่ไม่ใช่เป็นยาเสพติดมันก็ยังทําให้ติดได้อสมัยที่เราเรียนโรงเรียนป .1 ป .2 โรงเรียนนานาชาติบริษัทขายนมขายติม่มมันาราก็เอาติมไปแจกที่โรงเรียนเลยเอานมไม่ติมไปแจกทุกอาทิตย์เลยแจกไปแจกมาที่นี้ติดเลยมันไม่แจกก็ซื้อกินเอานี่แหละคือเรื่องของนิสัยมันเป็นอย่างนี้คนเรา พอเคยได้ทำอะไรแล้วถูกใจมันจะติดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของมีคุณหมือมีโทษก็ตามเนีมันจะติดเนี่ยเคยกินแล้วมันจะติดเด็กมันตอนนี้ติดเกมกันใช่ไหมเกมใหม่ๆมันก็ให้เล่นฟรีกันทดลองเล่นฟรีกันพอเล่นต่อไปมันขึ้นก็อยากจะเสียเงินแล้วสิต้องต้องเสียเงินซื้อมาลอบกวนพ่อแม่ซื้อต้องซื้อเกมมาเล่นนะ เกมที่ฟรีมันไม่มันเหมือนกับเกมที่เสียตังค์เพราะมันดูเดือดกว่ามันเข้มข้นกว่ากัน น, นี่แหละคือ วิธีการของคนฉลาดที่จะมาหลอกเอาเงินจากคนโง่คนโง่ก็ทํางานทําการแทบเป็นแทบตายแล้วก็เอาเงินไปซื้อของเสร็ติดทั้งหลายให้คนฉลาดม า, ามาหลอกเอาเงินไปคนฉลาดนี่รวยใช่ไห เ, เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของของของประเทศเลยเพราะว่ารู้ รู้ถึงจิตวิทยาของคนว่าคนนี้ทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเพรนทําทำอะไรให้มันติดแล้วมันจะจะซื้อของของเราอยู่ได่เรื่อย <c oughs> น, นี่คือการศึกษาถ้าไม่มาศึกษาไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าการกระทาแบบไหนเป็นคุณแบบไหนเป็นโทษ เราก็จะทําแบบสเปะสปะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่จะถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกออบางทีก็ถูกหลอกถูกชวนไปเสพอบายามุขไปขัดเที่ยวบาเที่ยวผับเที่ยวไปเที่ยวมาติดเที่ยวทํางานทําการก็ลาออกไปเพราะทํางานก็จะไปเที่ยวไม่ได้แล้วอาจจะโชคดีมีเงินทองอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยเออไม่ต้องทํางานก็ได้ เอาเงินนี้ไปเที่ยวดีกว่าแต่ไม่คิดว่าเงินงินเที่ยวเดี๋ยวมันต้องหมดนะหมดแล้วนี้มันจะลำบากเนาะมันจะต้องไปหาเงินโดยวิธีไหนล่ะงานก็ไม่มีทาก็ต้องไปลักขโมยหรืออาจจะไปเสี่ยงกับการเล่นการพนันคิดว่าเก่งอาจจะเล่นเก่งเล่นแล้วกาไรจะได้เอาเงินเล่นการพนันมาเที่ยวมาดื่มต่อก็ได้ เนี่ยมันจะคิดการแก้ปัญหาไปในทางที่ผิดเนี่ยยิ่งขุดขุดหลุมลึกลงฝังตัวเองลึกลงไปเรื่อยๆถ้าไปทางอบายามุกแล้วมันจะขุดเราลงไปเรื่อยๆให้เราแก้ปัญหาแบบวิธีที่สร้างความทุกข์สร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันขุดหลุมลงไปท่วมหัวตัวเองฝนะังตัวเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันทางโลกเขาไม่สอนกันทางโรงเรียนเขาไม่สอนเรื่องเหล่านี้เขาอาจจะสอนแบบผิวเผินบอกเอาอย่าทำนะแต่ไม่มีการอธิบายถึงผลที่จะตามมาว่าทำไปแล้วจะเกิดอะไรบ้างแล้วก็ไม่มีการส่งเสริมทางบ้านเมืองก็แทนที่จะคอย คอยกำจัดอบายมุกกลับไปส่งเสริมกันอบายมุกกลับไปมองทางด้านเศรษฐกิจแทนว่าเ อ, อมีเบียร์มีบาร์มีผับมีบ่อนเนาะมันมีรายได้คนมาเที่ยวกันเยอะออออกลับไปมองทางด้านเศรษฐกิจไปแต่ไม่มองภาวะทางจิตใจของคนในประเทศว่ากลายเป็นคนที่มีจิตใจทุก์ ไม่สบายแล้วก็ไประบายความทุกข์ไม่สบายให้แก่ผู้อื่นต่อไปไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมคุกยังไม่มีที่อยู่มีที่ไม่พออยู่กันขยายคุกกี่ ค, คุกก็ไม่พออยู่ก็เลยหาวิธีระบายด้วยการอภัยโทษกันเดี๋ยวมีวันสำคัญสาคัญก็อภัยโทษกันพาไม่มีที่อยู่ไงทาไง กต้องระ บ, บายปล่อยมันออกมาเดียวมันก็กลับมาสร้างปัญหาให้กับสังคมใหม่การไม่มีไม่ถูกทางต้องมาแก้ที่จิตใจต้องส่งคนเข้าวัดกันต้องบังคับให้คนเข้าวัดกันทุกคนให้มาศึกษาให้มาเรียนและมาปฏิบัติกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะเรื่องของจิตใจจะไปบังคับกันมันก็ไม่ได้แต่บางศาสนาเขาก็บังคับกัน ทางศาสนานี้เขาเข้มงวดเรื่องเดิมชวลานะประเทศเขานี้ห้ามเดิมชวลาไม่มีแต่ก็มันก็มีช่องนึไอกัมันก็มีแอบเดิมกันในบ้านอะไรแอบเดิมกันแ้วมันไม่ได้เดิมข้างนอกตามบาตามผับมันก็เดิมกันในบ้านอยู่ดีเพราะรู้สึกว่าอบายามุขนี่มันเป็นของที่มันดูดดื่มจิตใจเพราะมันเป็นการแก้ปัญหาความไม่สบายใจในเบื้องต้นได้ เป็นวิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจแบบง่ายๆแบบรวดเร็วแต่มันมีผลเสียหายตามมันทำให้เกิดติดติดแล้วพอเสพมากๆมันก็ทำให้มีปัญหาต่อร่างกายและจิตใจนี่ก็นี้แหละก็เป็นปัญหาของมนุษย์เราที่มาเกิดกันเพราะจิตใจของพวกเรานี่เป็นจิตใจที่ ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ในตัวเองแล้วไม่ชอบหลักเกณฑ์กันไม่ชอบเข้าหาหลักเกณฑ์กันชอบหาใบามุกชอบหาวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆกันก็เลยไม่ได้แก้ปัญหากลับเป็นการสร้างเพิ่มปัญหาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คือเรื่องของการมาศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ว่าอะไรทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา นอกจากนั้นยังมีอีกสองข้ออะไรทำให้เกิดความสุขคือบุญต่างๆและอะไรที่ยังทำให้เกิดความทุกข์ได้ถึงแม้จะไม่ได้ทำบาปก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆซึ่งก็คงจะได้ยินได้ฟังต่อไปในโอกาสหน้าเพราะตอนนี้เวลาก็หมดพอสมควรก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร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 จันททปนะราโสยทามณนีจุติราโสยทาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตนวันตารโยสุขีทีคายุโกภวา อพิวาทานสีิตสานิจังวุธาปจายนจโนจตารธรมมาวะทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยสี่สิบสองยสองร้อยสิบแปดวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยสี่สิบเอ็ดครับมีคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ายังไม่มีก็เอาของทางบ้านก่อนถ้าทางบ้านมีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจากคุณสุปราณีหนูเคยทำบุญผ้าป่ากับร่างทรงท่านขอผ้าป่าหนึ่งแสนหนูชอบเห็นว่าเป็นการทำบุญเลยทำไปแบบนี้จะได้บุญจากใจที่คิดว่าเป็นการทำบุญเลยทำไปไม่ได้ถามอะไร แบบนี้จะได้บุญจากการทำผ้าป่าครั้งนี้ไหมเจ้าคะ่ะถ้าเราทำด้วยความาบริสุทธิ์ใจคิดว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาขอรับประโยชน์จากเร า, เาถึงแม้เขาจะมาหลอกลวงเราเราก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าประโยชน์อาจจะไม่ได้คือ ถ้าถูกหลอกลวงว่าเขาจะเอาเงินไปทำห้องน้ำสมมติแต่เอาเงินไปเที่ยวอย่างี้ก็เป็นการส่งเสริมคนมิจฉาชีพมันก็จาสมบุญที่เกิดจากการให้ของเหล่านี้ก็มันก็เกิดแล้วเพราะการเสียสละเงินทองนี้มันเป็นการ สกัดการเอาเงินของเราแสนหนึ่งไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวกับเอาเงินไปทําบุญนี่ผลมันได้ต่างกันถ้าเอาเงินแสนไปเที่ยวมันเหมือนเอาไปซื้อยาเสพติดฮะส่วนถ้าเอาเงินแสนไปทําบุญเอาไปให้ใครก็ได้ที่เขาขอมาให้เขาไปแล้วเหมือนก็เหมือนกับได้ความสุขใจอ่ยใจ เ่อเหมือนกับได้อาหารแล้วมันก็สกัดการที่ยอาเงินไปใช้กับยาเสพติดได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องเที่ยวเราก็อยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนถ้าเที่ยวแล้วมันจะติดเที่ยวคราวนี้แล้วหมดไปแสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะคิดถึงคราวต่อไปแล้วอยากจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วก็ต้องคอยหาเงินแสนมาเพื่อมาเที่ยวใหม่เอ แล้วเที่ยวมันก็จะติดก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆก็ต้องคอยดิ้นรนหาเงินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทําบุญความอยากเที่ยวมันก็หายไปอต่อไปอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกอยากจะไปเที่ยวไหนก็ใจไม่ใจมีความสุขอยู่เฉยๆเลยถ้าอยากจะถ้ามีเงินก็แทนที่จะไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญดีกว่าะ <c oughs> ถ้าการทาบุญขราวที่แล้วคิดว่าถูกหลอกก็อย่าไปทําอีกก็แล้วกันเราก็ไป ท, ทําที่อื่น <c oughs> เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ได้จากการถูกหลอกการถูกหลอกมันก็ได้ประโยชน์แต่มันได้ประโยชน์กับคนที่มาหลอกเท่านั้นคนที่มาหลอกมันก็เอาเงินไปทําประโยชน์อะไรของมันแต่ถ้าเอาไปทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมมันอาจจะดีกว่า จะไปสร้างห้องน้ำหรือทำอะไรคนหลายคนจะได้ใช้กันได้ได้ประโยชน์มากกว่าแต่เรื่องประโยชน์กับเรื่องบุญนี้คนละเรื่องกันเรื่องบุญก็คือเรื่องของการที่เราได้เสียสละข้าวของเงินทองไปนี้มันเป็นเหมือนกับให้อาหารกับจิตใจ ทำให้ใจอิ่มเลยไม่หิวโหยกับการที่จะต้องไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่มีของฟุ่มเฟือยก็ไม่เดือดร้อนฮะไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้เดือดร้อนฮะเวลาได้ทำบุญแล้วใจมันอิ่มมันพออันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญไม่ว่าจะทำกับใครก็ตาม ได้ประโยชน์เหมือนกันได้มีผลต่อจิตใจเหมือนกันเพราะเป็นเหมือนอาหารเหมือนกับไปซื้ออาหารจากร้านนั้นเร้านนี้มากินมันก็เป็นอาหารเหมือนกันการทำบุญกับคนนั้นคนนี้ก็เหมือนกับไปซื้ออาหารร้านนั้นร้านนี้ก็ได้อาหารมากินเหมือนกันฉั้นไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทำกับพระอารหันต์เพียงอย่างเดียวคือการทาบุญกับพระอารหันต์นี่มัน นอกจากได้บุญที่เกิดจากเสียสละเงินทองของเราแล้ ว, ลวมันได้อีกอย่างหนึง่งเพิ่มมาคือได้ธรรมะได้ไปทำบุญกับพระอรหันต์ก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญอีกอีกอย่างหนึง่งถ้าถึงบอสทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากกว่าทำบุญกับหมาก็ถูกเพราะว่าหมามันให้ธรรมะกับเราไม่ได้ มันสอนให้เราเป็นผ้าละหันไม่ได้หมาแต่ผ้าละหันนี่สอนให้เราเป็นผ้าละหันได้ไอ้ตรงนี้ต่างกันแต่บุญที่เกิดจากความอิ่มใจที่จะได้ที่เกิดจากการเสียสละนี้เหมือนกันทำบุญกับผ้าละหันหรือทำบุญกับหมาก็ได้ความอิ่มใจสุขใจเหมือนกัน เห็นหมามันหิวเราให้เลี้งให้อาหารมันกินมันก็เห็นมันอิ่มแล้วก็มีความสุขใจเห็นพระหิวเราให้อาหารท่านฉันแล้วท่านอิ่มเราก็มีความสุขใจอันนี้เหมือนกันความสุขใจที่ได้จากการเสียสละนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราได้จะได้จากผู้ที่เราไปให้อะไรนี้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ผู้ที่เราไปให้เขามีอะไรจะให้เราะ ถ้าให้กับพระที่ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ได้ธรรมะที่ไม่ไ ม, ไม่ได้ต่ํากว่าขั้นของพระอรหันต์ถ้าไปทําบุญกับพระที่รักษาศีลบริสุทธิ์ท่านก็สอนให้เรารักษาศีลบริสุทธ์ได้เท่านั้นจะสอนสมาธิกับเราก็สอนไม่ได้เพราะท่านยังไม่มีสมาธิจะสอนทำระดับโสดาบันก็สอนไม่ได้ ดันั้นอันนี้ถึงแตกต่างกันผลที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยนี่อยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้นั้นว่าเขามีความรู้ความสามารถในระดับไหนเขาถึงบอกว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้านี่ได้ได้ธรรมะระดับสูงสุดเนีได้บรรษุธรรมได้อย่างง่ายดายเพราะพระพุทธเจ้าเก่งรู้ว่าเรากําลัง ติดอะไรอยู่หลงอะไรอยู่พอไปพูดจี้ใจปุ๊บเข้าใจปุ๊บบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้เลยแต่พระอารหรันต์รูปอื่นนี้อาจจะไม่เก่งเหมือนพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีธรรมะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้วิธีไม่รู้ว่าจิตของผู้ที่มาหานี่มีปัญหาอยู่ตรงไหนมีปัญหากับเรื่องใดอย่างวันก่อนมีใครเข้ามาเล่าให้ฟังว่า ภาษาริบุตรนี่ท่านก็สอนคนเก่งแต่ไปสอนผิดกับความต้องการของคนฟังแล้วทานทีเขาจะบรรลุเขากับเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาเพราะอาจจะสอนแบบที่เขาทำไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่พอไปฟังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอีกอย่างหนึ่งบรรลุทาได้ อันนี้เรื่องของการสอนนี่มันเป็นเรื่องของเทคนิคของผู้สอนกับผู้มาเรียนมาผู้มาเรียนผู้สอนต้องรู้ว่าคนนี้เขาถนัดมือซ้ายมือขวาอย่างเงี้ยถ้าถนัดมือขวาไปสอนให้เขาใช้มือซ้ายมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าก็ถนัดมือขวาก็ต้องสอนให้เขาใช้มือขวาถ้าถนัดมือซ้ายก็ต้องใช้มือซ้ายคนบางคนชอบแบบนี้ก็ต้องสอนให้เขาอ ละแบบนี้ชอบแบบนั้นก็สอนให้เขาละแบบนั้นมันไม่เหมือนกันคนที่จะฉลาดรู้อย่างนี้ต้องเป็นระดับพระพุทธเจ้าถึงจะอ่านใจของผู้มาศึกษาได้รู้ใจของผู้มาศึกษาได้พระอรหันต์นี้ท่านรู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ของท่านแต่ท่านก็จะไม่รู้ว่าคนที่มาศึกษากับท่านจะสามารถเอาวิธีของท่านไปกาจัดได้หรือไม่ ก็สอนแล้วอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้เพราะเขาไม่สามารถนำอาไปปฏิบัติได้ <c oughs> แล้วนี้คือความแตกต่างคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราไปทำบุญกับบุคคลต่างๆผลตอบแทนคือธรรมะที่เราจะได้จากบุคคลต่างๆเหล่านี้มีต่างกันไปตามความตามธรรมะของแต่ละบุคคลบางคนมีธรรมะสูงเขาก็ให้ธรรมะขั้นสูงได้ คนมีธรรมะขั้นต่ำก็ต้องให้ธรรมะขั้นต่ำไปอันนี้คือแต่งถ้าเราต้องการของถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกคนแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเราต้องการความสบายใจต้องการเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้ไปให้ทำประโยชน์แทนนี่ก็ไปทำที่ไหนก็ได้ทาแล้วให้มันหมดพ้นไปจากมือเราเสียเราจะได้ไม่เอาเงินนี้ไปเที่ยว <c oughs> นี่ก็คือเดี๋ยวฟังแล้วคำถามนี้ถามมาบ่อยแล้วก็นถามแล้วก็คนก็งงกันว่าทำบุญกับป้าหลานกับหมาก็ได้บุญเท่ากันอีกที่ก็บอกว่าไม่ได้เท่ากันมันมีบุญสองบุญต่างกันไงบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองนี้ได้เท่ากันแต่บุญที่จะได้จากคนที่เราไปทำบุญด้วยไม่เหมือนกันคนที่มี คนที่เขามีบุญมากเขาคือค่อมีความรู้มากมีธรรมะบ้างเขาก็ให้ธรรมะกับเราธรรมะก็เป็นบุญแบบหนึ่งความรู้อันนี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันทำบุญกับพระอรหันต์กับทำบุญกับพระโสดาบันก็ต่างกันละพระโสดาบันสอนได้แค่ระดับโสดาบันพระอรหันต์สอนได้ถึงระดับพระอรหันต์อันนี้ต่างกันถ้าอยากจะได้ธรรมะจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วย ขึ้นอยู่กับธรรมะของผู้ที่เราไปทำด้วยว่าเขามีมากมีน้อยเท่าไหร่งั้นเราถ้าอยากได้ธรรมะมากก็ต้องเลือกหาคนที่มีธรรมะมากที่สุดนะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องหาพระาอาหารยพระอาหารก็มีหลายแบบสอนเก่งสอนไม่เก่งก็มีไปเจอพระอาจารยสอนไม่เก่งก็ไม่ได้พูดอะไรมาก เจ้าพระนั้นสอนเก่งก็นั่นเขพูดที่บง่งอธิบายจึงเราเห็นเข้าอกเข้าใจขึ้นมาเออันนี้ถ้าต้องการธรรมะก็ต้องเลือกแบบแต่บางคนเขาทําบุญก็ไม่ได้เอาต้องการธรรมะเนี่ยใช่เวลาเขาใส่บาตตอนเช้าเขาใส่บาตรใส่เข้าไปแล้วเขาก็ไม่มีเวลาจะมาเราฟังเทศน์ฟังธรรมออันนี้เขาก็ไม่ต้องการใส่กับพระรูปไหนวัดไหนก็ได้เหมือนกันะใส่ให้ขอทานก็เหมือนกันะ กเป็นการเสียสละของเท่ากันของที่เราซื้อมาจะใส่บาตรปิภะะกับวัดแล้วมีขอทานมาก็ให้มันไปมันก็เป็นการทำบุญทำทานเหมือนกันได้ความได้บุญเท่ากันอันนี้เท่ากันเข้าใจอย่างขออย่ามาถามอีกอย่ามาเถียงอะไรงเงี้ยต่อไป <c oughs> คำถามจากข้างบนนี้นะครับมีสามคำถามคำถามแรกการที่ผู้ป่วยถูกทักว่าชะตาขาดจะทำพิธีต่อดวงชะตาได้ไหมครับก็เรื่องของทัก<อ>ก็ทักไปถ้าเราเชื่อเขาเราก็ต้องทมตามที่เขาทักเหรอสิถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องทาำก็อยู่ที่ว่าอะไรจริงนะอะไรไม่จริงรการทักกันได้มันเป็นเรื่องจริงก็ดีสิอย่างนั้นก็ทักให้ไม่ตายบั่งไม่มีเลย ใช่ไหมมันเป็นเรื่องแค่คำพูดเท่านั้นเองเรื่องของความตายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนนั้นจะทักหรือไม่ทักเรื่องของความตายมันมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยให้อยู่มันหมดมันก็ต้องตายถ้าเหตุปัจจัยให้อยู่ยังมีอยู่มันก็ไม่ตายมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเช่นถ้าไม่มีลมหายใจมันก็ตายหรือไม่มียารักษามันก็ตายได้ แต่ถ้ายังมียายังมีเครื่องหายใจอยู่มันก็ยังไม่ตายมันอยู่ที่เรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยคำถามที่สองจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะแยกกายและจิตออกจากกันได้ครับเก็ต้องฝึกสมาธินี่แหละนั่งสมาธิแล้วจิตก็จะแยกกับกายออกชั่วข่าวพอออกจากสมาธิมามันก็กลับมารวมกันใหม่ก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะใจไม่ตายกายตายแต่ร่างกายร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจอย่าไปวุ่นวายเสียเวลาวุ่นวายไปก็ตายไม่วุ่นวายก็ตายสู้อย่าวุ่นวายดีกว่าไม่วุ่นวายก็ต้องแยกใจออกจากกายว่าร่างกายตายแน่แต่ใจไม่มีวันตายใจเป็นผู้รู้ก็รู้ไปดู ดูดูลมหายใจไปกว่าจนกว่ามันจะหยุดหายใจก็เท่านั้นเองถ้าดูเฉยๆมันก็ไม่วุ่นวายใจแต่ถ้าไปอยากให้มันไม่ตายมันก็จะวุ่นวายใจขึ้นมา <c oughs> คำถามสุดท้ายนะครับ ถ้าเราไม่ได้มีความผูกพันกับมารดาให้กําเนิดเนื่องจากไม่ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะเก็ไม่บาปหรอกมันเป็นความรู้สึกธรรมดาของคนเราจะให้ความสําคัญต่อคนที่เราใกล้ชิดต่อคนที่ทําคุณทําประโยชน์ให้กับเราแต่ความจริงบรนดาที่ให้กําเนิดก็มีคนประโยชน์มากเราต้องมันคิดถึงบุญคนอันนี้เราถึงใจ มีเกิดในความรู้สึกอยากที่จะตอบแทนและมีความรักความเคารพเหมือนกับคนที่เขาไม่ได้ให้กําเนิดแต่เลี้ยงดูเรามาเพราะว่าถ้าไม่มีมารดาเราก็เกิดมาไม่ได้ท่านก็อุ้มท้องเราต้องเก้าเดือนเลี้ยงดูเราอยู่ในท้องถึงเก้าเดือนก็ถือว่าเป็นบุญบุญคนมากมากเท่าๆกับคนที่เขาเลี้ยงเรา อันนี้ถ้าเราไม่คิดเราจะไม่รู้เราต้องคิดต้องดูชั่งน้ำหนักดูถ้าไม่มีมันดาให้กาเนิดเราเราจะออกมาจากทองเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมองต้องใช้ความคิดบางอย่างถึงจะเห็นคุณประโยชน์ของของเขาถ้าไม่นตไม่คิดมันก็จะไม่เห็นคำถามต่อไปจากคุณจากกริจคนที่เป็นโมหจริต จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหรือบรรลุธรรมในชาตินี้ไหมครับไม่หรอกมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันโมหะเจริโลภะเจริโทสะเจริญมันก็เป็นอุปสรร ค, คทั้งนั้นเห <c oughs> มือนกันเพียงแต่ว่ามันหนักไปทางไหนนั้นบางคนหนักไปทางโทสะบางทางบางคนหนักไปทางโลภะบางคนหนักไปทางร่มหลงเชื่อ ง, ง่าย มันก็แล้วแต่อย่างเมื่อกี้คําถามว่าพคนข้าแท้หน่อยก็เชื่อขึ้นมาแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาไม่มีคําถามต่อไปจากคุณหมวยการไหวพระสวดมนต์สั้นกับยาวต่างกันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ่ะก็เหมือนกินข้าวน้อยก็กินข้าวมากต่างกันไหมกินข้าวจานหนึ่งกับกินข้าวสองจานนไหนมันต่างกันไม่ได้ สวนมนต์ก็เป็นการให้อาหารกับจิตใจให้ความสงบกับจิตใจสวดมากสวดนานก็ยิ่งสงบมากสงบมากก็ยิ่งมีความสุขใจอิ่มใจมากสงบน้อยก็มีความสุขใจอิ่มใจน้อย <c oughs> คำถาม <c oughs> ต่อไปจากคุณเจริญนิวรณ์ห้ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรถึงจะผ่านไปได้ครับ อ, อ๋อขอไปปฏิบัติก่อนเถอนะเนี่ย เอเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติมันก็รู้ไปก็เท่านั้นเององั้ก็ไปปฏิบัติ ด, ดูถ้าอยากจะให้มันผ่านก็ต้องปฏิบัติต้องกําจัดมันถ้านั่งฟังนั่งคุยกันนี้มันไม่มีวันผ่านได้ต้องต้องเกิดจากการปฏิบัติเหมือนถึงจะผ่านได้งั้นข อ, อไปปฏิบัติคําถามต่อไปจากคุณปัตมาเพราะอะไรถึงยังมีความ กังวลใจทั้งๆ ท, ที่สามารถหาเงินมาชําระหนี้สินได้จนหมดแล้วแต่ก็ยังมีความกังวลในการหาเงินอีกเจ้าค่ะจะปรับใจอย่างไรดีเจ้าค่ะเพราะเรารู้ว่าการหาเงินมันไม่ได้เป็นของที่แน่นอนเราเลยกังวลวันนี้เราหาได้แต่พรุ่งนี้เราไม่รู้จะหาได้เหมือนวันนี้หรือเปล่ามันก็เลยสร้างความกังวลให้กับเราเพราะเราไปยุ่งกับของที่มันไม่แน่นอน อะไรมันไม่แน่นอนมันก็ทําให้เราไม่สบะไม่ไม่ไม่มั่นใจแล้วอทําสัญญากันแล้วพรุ่งนี้จะจ่ายเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาหรือเขาเกิดตายขึ้นไหมันนี้มันก็ไม่ได้สิ่งตามที่เราได้ทําสัญญากันไว้ดังั้นถ้าเรามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วเราก็จะต้องมีความกังวลใจไปต้จนวันตาย ก็เรื่องเงินทองมันไม่เป็นของที่แน่นอนนั่นเองมันพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มามากเดี๋ยวก็มาน้อยเดี๋ยวก็เสียไปได้มาอะไรทานองนี้งั้นถ้าจะให้ความกังวลใจหายไปก็ต้องหัดทําใจยินดีตามมีตามเกิดมาก็ได้ไม่มาก็ได้เสียก็ได้ไม่เสียก็ได้ได้ทุกอย่างต้องสันโดต่านั้น ต้องทำใจให้ยินดีตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่ได้หมายคำว่าให้อยู่เฉยๆก็ทำให้ดีที่สุดทำไรายได้ก็ทำไปทำเพื่อที่จะให้ได้มาแต่ก็ต้องเผื่อไว้ในใจว่าดีที่สุดของเราอาจจะไม่ดีพอก็ได้เพราะไม่มีเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันคอยมาเปลี่ยนความความจริงต่างๆให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆได้นั้น ทำได้อย่างมากก็คือยินดีตามมีตามเกิดหรือถ้าดีกว่านั้นก็อย่าไปมีเงินมีทองเลยไปบวชอยู่เป็นพระอย่างนี้จะไม่มีความกังวลกับเรื่องเงินทองเลยเออพราะไม่ต้องใช้เงินทองออถ้ายัางต้องใช้เงินทองอยู่มันก็จะต้องมีความกังวลกับเรื่องเงินทองไปจนวันตายออคำถามต่อไปจากคุณจั ก, กริดเมื่อเข้าสมาธิ จิตสงบในสักระยะหนึ่งก็เห็นจิตและตัวรู้มันออกจากกันอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดหรือเปล่าครับและต้องทาอย่างไรต่อไปครับคือเห็นนั้นตัวรู้นี้ไม่สำคัญท้ากับเห็นความสุขหรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบก็ยังไม่ถึงที่มันต้องเห็นความสุขที่ว่า ความสุขนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนั้นนะถึงจะเรียกว่าถูกปฏิบัติต้องเห็นนัติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีต้องเห็นตัวนี้แล้วมันถึงจะเข้าถึงความจริงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและมันจะเป็นตัวที่จะชักให้เราดึงให้เราได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเราจะไม่ต้องการอะไรแล้วถ้าเราได้เข้าถึงความสุขอันนี้ เราก็จะปล่อยวางความสุขแบบอื่นได้เคยมีแฟนก็เลิกกับแฟนได้เคยหาความสุขจากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็เลิกหาได้เพราะจะเอาเวลามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้คำถามต่อไปจากคุณทา่าทาเมื่อเรารวมสมาธิได้แล้ววิธีถอยออกมาเดินปัญญาจะทำได้อย่างไรเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ต้องถอยแล้ว เดี๋ยวมันถอยของมันเองเวลาจิตสงบไม่ต้องไปทาอะไรใช้สติประคับประคองให้มันสงบให้นานที่สุดที่ถามมานี้แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงจุดนั้นถ้าเขาถึงจุดที่มันมีแต่ความสุขมันจะไม่อยากจะถอยเรื่องอะไรพอเข้าไปถึงกองสมบัติแล้วจะถอยออกมาทำไมอยู่กับกองสมบัตินั่นแหละ ทีนี้มันยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันก็คิดจะถอยแล้วกิเลสมันจะอยากจะถอยแล้วไม่ใช่ถ้ามันเข้าถึงความสงบที่เป็นความสงบที่แท้จริงแล้วมันจะไม่อยากจะออกจากความสงบนั้นมันอยากจะอยู่นานๆแล้วอยู่บ่อยๆ อ, ออกมาแล้วก็อยากจะกลับเข้าไปผู้ปฏิบัติที่ได้ความสุขแบบนี้นะ่ะถึงจะต้องถึงจะติดสมาธิกัน ต้องติดสมาธิก่อนถึงจะค่อยออกไปทางปัญญาได้ ตอนต้นนี้พอได้ความสงบแบบนี้มันจะติดใจมันอยากจะกลับเข้าไปหาอยู่เรื่อยๆก็ไม่เป็นไรเบื้องเบื้องต้นนี้ให้มันเข้าให้ชํานาญให้มันเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะไปกินเหล้าไปดูหนังก็ไปเข้าสมาธิไปอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติยังไม่ยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญาหรอกเอาเรื่องให้สมาธินี่ให้มันชํานาญก่อนะให้มันเป็นที่พึ่งของเราให้ได้ก่อน เราค่อยไปทางปัญญาต่อไป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณกันนัทนันมีสองคำถามครับคำถามแรกจิตมานคืออะไรแล้วในทางพระพุทธศาสนามีไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนะลองไปถาม g ูเก l e ดูดีกว่า จิตก็ผู้รู้มารก็คือตัวที่มาคอยขัดขวางความดีทั้งหลายเรียกว่ามารพอจะกินพอจะรักษาศีลวันนี้เพื่อนก็โทรมาชวนไปกินเหล้ า, านี่านียเรียกว่ามารนะคำถามที่สอง ถ้าเราเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาบ่อยๆโดยที่เราไม่ได้อยากจะคิดเช่นนั้นจะเป็นกรรมได้ใหม่เจ้าค่ะปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็ไปทําต่อเลยคิดอยากจะกินเหล้าคิดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวมันก็ไปกินันั้นเวลาคิดอะไรเราก็อยา่าคิดอะไรไม่ดีก็ต้องหยุดมันห้ามมันมันคิดก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันรอไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมา ถ้าไม่ไม่ไม่ปล่อยไม่กำจัดมันเดี๋ยวมันโผล่มาบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวเหมือนเพื่อนมาชวนอยู่เรื่อยๆชวนข้างล่างอาจจะปฏิเสธไปกินเหล้าไม่ไม่ไปครั้งที่สองไปไม่ไม่ไปงานนี้ฟรีนะฟรีเหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปจนได้เนี่ยอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาต้องหยุดมันทันทีอย่าให้มันอยู่ยาว คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลาที่ลูกนั่งสมาธิหลายครั้งจะได้ทราบได้ยินหรือได้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ว่าจะเกิดสิ่งนั้นขึ้น เมื่อก่อนรู้แล้วไปเตือนเขาก็มีทั้งที่เขาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างลูกเข้าใจเพราะเป็นเรื่องของอนาคตเพียงแค่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่อยากให้มันเกิดคนไม่เชื่อก็เป็นไปตามกรรมและเกิดขึ้นจริงๆหลายครั้งที่อธิษฐานขอให้ตัวเองไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องเห็นอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งได้มาเปิด Facebook ของท่านพระอาจารย์ ทำให้ทราบว่าถ้ารู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นแค่นั้นลูกควรปล่อยวางมันซะแล้วมันปฏิบัติต่อไปถูกต้องไหมเจ้าคะก็ปฏิบัติไม่ถูกไงปฏิบัติโดยไม่มีสติมันก็เลยปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาย่างเวลามันเกิดขึ้นมาเราต้องกลับมาที่สติกลับมาที่พุทโธกลับมาที่ลมหายใจแล้วเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา การปรากฏรู้เรื่องราวเหล่านี้เราเรียกว่ามิจฉาสมาธิเพราะมันไม่มีประโยชน์ต่ อ, อการที่จะไปกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเราต้องการอุเบกขาเราต้องการอัปปนาสมาธิความสงบที่นิ่งที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสงบที่มีจิตใจที่เป็นกลางคือปราศ จ, จากความรักชังกลัวหลง อันนี้ถึงเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นหนูน่นเห็นนี่ถึงแม้จะเห็นของจริงของแท้เห็นอดีตชาติเห็นอ น, นาคตเห็นไปมันก็เอามากาจัดกิเลสดับความทุกข์ไม่ได้เรียกว่ามิจฉาสมาธิเกิดเพราะว่าจิตสติเราไม่มั่นคงไม่ต่อเนื่องอาจจะมีสติ เป็นพักๆ พ, พอช่วงไหนเผลอสติไปมันก็โผล่ขึ้นมาได้เห็นต้องพยายามประคับประคองสติไม่ให้มันหายไปเวลานั่งสมาธิพยายามถ้าใช้พุโทโธก็อย่าให้พุโทโธหายถ้าดูลมก็อย่าให้ลมหายอย่าอย่าไปอย่าไปหายจากการดูลมไม่ใช่ลมหา ย, ยาต้องมีอะไรให้เราทำมันถึงจะไม่ทำให้เกิดะความรู้อะไรต่างๆขึ้นมาหมดแล้วเลยโอเค